นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato samma samudhatta นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato samma s a m u d a t t a นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato s a m m u d h a t a ah h a. t a นะโมพุทธายะูสจูสเนียนะเอตัมภะรมุตตมนติติ ผ่าการตั้งจิตตั้งใจต่อไปหลวงปู่จะเมตตาลูกหลานเมตตาให้เข้าใจในการเป็นไปเป็นมาของพวกเราทั้งหลายที่มาเกิดในท่ามกลางของพระบิดามารดาปู่ย่าตายายท่านรับพาลูกหลานกาบไบกอุตสาหรับธรรมพระพุทธเจ้า มาเป็นที่พึ่งที่ยึดอืมผูกพันกับจิตกับใจมาให้ลูกหลานตกไปเป็นทาสของอ ม, มารภัยเวรกรรมคือกิเลสอันร่ายแรงอืมที่จะบังคับพวกเราลงไปที่ต่านี่แหละ ว, วันนี้โอกาสดีนะทีทองอืมพวกเราเปิดโอกาสเปิดเวลาเปิดจิตเปิดใจอืมตั้งจิตตั้งใจได้ยินหัวหน้า คุณสันติคุณนี่แหละสองท่านนี่แหละเด้อหัวหน้าเป็นผู้นำลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าภาษาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบมาถึงพวกเราศาสนากิเลสมันอันตรายขนาดไหนมันรุนแรงขนาดไหนต้นสะบักก็มีแต่ต้นโพเป็นหลักทงไสไว้อยู่พลังไหลไปแต่ว่า ดวงใจรวงจิตที่มุ่ง ม, มั่นในความสมงบลมเย็นนะั้นสูญหายไปสูญหายไปแทบจะมองไม่เห็นแล้วต้นสาบ ค, คือเมืองอินเดียนั่นแหละนั่นแหละจังว่าพวกเราทั้งหลายโชคดีได้เลื่อนลอยตามศาสนาได้เลื่อนลอยตามบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ปิวไปลอยตามลมตามอากาศมาตกในแผ่นดินทรทมแผ่นดินทองในเมืองไทย อืเราโชคดีอันประสเสริฐเซนประเสริฐเปรียบประมาณไม่ได้เพราะว่ามาเกิดไม่นานก็สูญหายสะลายไปอพระเจ้าก็ไม่ได้อยู่ขํามฟ้าอะไรมากมายแค่แปดสิบ พ, พันปศาทึ่งประเ ส, สริฐทึ่งตัชลูกอริยนิพานสุดท้ายก็แค่นั้นไม่นานท่านาะว่าไม่นานท่านท่านรู้แล้วเหมือนวันเดียวอืดับกิเลสออกไปแล้วโลกนิว่างไปหมดเหมือนวันเดียว มันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสมันบังคับจิตใจคู้หนักหนั ก, ก็ยังไม่ถึงเที่ยงไม่ได้มาไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันมันเอาให้ตายมันทำให้ตายก่อนพระอาทิตย์จะวายไปมันเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสมันรุนแรงมโหสถโสพา ต, ตัวตกต่ำพระเจ้าทุกพระองค์ประสบการณ์มาตกไปที่ต่ำเกิดขึ้นแล้วตายอีก ท่านจึงได้มาชร้างบารมีอันสูงสุดก็คือให้ทานอืมคือวันนี้หละประกาศกันออปู่แห้มวินทาบาทปู่ก็ว่าโอ้มันก็เข้าไปอย่างงุ่นอย่างนี้ย่านไม่ทานเวลาวินทาบาทก็เห็นลูกหลานทําการทํางานอะไรย่นยุ่งยากหลายบาทแล้วก็เป็นคนผู้เดียวเป็นคนหลายคนของศรัทธาญาติโยมทั่วไปก็เลยว่าถ้าจะได้พบรน้าพบตาหัวหน้าสองท่าน นี่แหละเป็นผู้นำสุงนุมพุทธธรรมพุทธศาสนาของพวกเราก็เอาเวลาเที่ยงวันนี้เป็นวันมงคลอันยิ่งใหญ่แก่พวกเราบินทบาตครูก็ได้มาแล้วกับพระแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ก็มามาฉลองปีใหม่ในพุทธศักราช2567นี่เลยที่ผ่านมาก็ห่างกันไม่ได้เห็นหน้ากันง่ายงเพราะว่าเวียนกรรมคือว่าภัยอันตรายก็ได้ อืมถ้าไม่ตายจะงเห็นหน้ากันภัยอันตรายก็คือโรคภัไข้เจ็บนั่นแหละถ้ามาอีกบางหนึ่งกระลมพัดธรรมชาติอักเราก็ประมาทไม่ได้อยู่ทุกที่ทุกทางอืสิริมีก็เห็นแล้วเกิด ม, มานานแสนนานไม่ได้เห็นออที่คุณสาเล่าลือทั่วโลกไปบางจุดบางที่ก็ตื่นมาหายหมดก็มีอะไรอระลมพัด สารพัดที่มันจะเกิดขึ้นดาบน้าดาบไฟที่ปู่ย่าตายายพาลูกหลานหมอะขานมาให้ประมาทให้อยู่ในอวัิคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสูงของพรธเจ้าเราจะได้ลอดผ่านไปได้เพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ตายเราจะได้ฟังเทศฟังธรรมจิตต่อจิตใจต่อใจคือพ่อแม่องค์รลวงตามหาบัวอย่างนี้แหละที่เพลินรับ อืมทำอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันของพวกเราคือหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาก็ดีพ่อแม่หลวงปู่ทุกพระองค์นั่นแหละที่เป็นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอายุมัน่นขวัยืนได้สอนลูกสอนหลานบอกพวกปู่ญาตายายไปบวชไปปฏิบัติธรรมไม่ได้มากก็เป็นพระพุทธส า, าวกเป็นพุทธมาพุทธมกุบาสุบาสิกาออคือให้ทาน บางที่ผู้ให้ทานเพิ่นบอกให้รักษาศีลคือที่พูดไปรักษาศีลแน่นอนดีที่สุดออยานทิพย์ของพุทเทเจ้าก็ดึงไว้เวนไทยมาพระยามาจุราชไม่เห็นตนเห็นตัวกินซั์เป็นอาหาราอืแทบไปมามาเห็นตนเห็นตัวก็คือลมอืมใสสว่างกลัวทุกอย่างในโลกนี้อืแสงพระอทิพระจันทร์ก็ยังไม่ใสเท่าไหร่ อะไรใสกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือแสงพระจิตแสงพระธรรมของพระพุทธเจ้าใสาเลื่อนลอยทั่วโลกกระถางไม่ไม่ใช่มีแต่พวกเรานะชาติอื่นมาเขาก็เชื่อมาแล้วเย็นพึ่เข้ามาผ่านคุณสาธิตเจ้าคุณกิตติสองท่านเนี่ผ่านแล้วเย็นพึ่มเาเป็นลูกศิษย์ใครลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าพระเจ้าเชื่อสักส่วน ลูกหลานเพื่อนรักปู่ย่าตายายพี่นอ้องทั้งหลายมาร่วมจับมือกันเข้าไปในยานล้มโพล้มชัยอากาศทิพย์หรือว่ายานทิพย์ของคุณพรเจ้ามาสัมผัสจิตใจพวกเราดึงดูดกันไปในวันเวลานาทีที่เพิ่นพูดว่าวางองค์เพื่อว่ารีบนะ้าตั้งใจตั้งใจนี่ไปให้ตั้งใจให้ดีอย่าไปละเมิดศีล อ, อย่าไป อมโหโทโสวุ่นวายต่อผู้มีพระคุณต่อศาสนาต่ออะไรทั่วไปความายแเรามองมาเห็นนะเดี๋ยวนี้เรามาถึงกันนี่เราโชคดีแล้วได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาจุดนี่จากนี่ไปทางหน้าเราจะมองมาเห็นว่าเราจะร่มายเวลาไดเราไม่รู้ยังบางคนว่าให้ทำคุณงามความดีไว้คือธรรมะตัดธรรมะห้ามแนวตาบเห็นก็นคือปูลเล่าไปนั่นแหละทายาทุลา ถึงเวลาแล้วนอนหลับมันก็เอาไปทางหลับนั่งเดินเดินนอนอยู่มันก็ทุกไปทำไปที่ไปมาสุกหัวถอหัวไถให้ให้อะไรให้ตื่นจิตตื่นใจอบาปมีจริงบุญมีจริงโอือโหโชคดีข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาพบกันได้มาฟังธรรมในวันนี้เสียวมาหลายครั้งแล้ว ก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้มาเกิดในพระมารดาไม่ดีก็ไม่เห็นกันง่ายๆอยู่ในพระคันของท่านก็ลำบากเครื่องพระมารดาเครื่องเคร่งบุตรตาบุตรตอยู่ในพระคันเพื่อจะได้หลุดออกมาได้สี่ปีห้าปียังไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรพ่อแม่ดียาิพี่น้องดอีช่วยเหลือส่งเสริมให้ รู้จากคุณพ่อคุณแม่คุณศิน์คุณธรรมคุณมิรามานดาเพื่อนรักฮักแฟนพี่น้องช่วยกันดูแลพวกเราถ้าจำเป็นไปหาการหา ง, งานก็ฝากพี่ฝากน้องออรู้เลืองรู้เล่าแล้วกออ็พาเข้าไปวัดหมอบคานกราบไหว้ไปเพราะว่าข้าพระเจ้าเห็นอะไรออรวมตาเห็นธรรมก็ได้ปู่ย่า ต, ตายายเราสดๆล่อๆก็คือตายให้เห็นต่อหน้าต่อตา อยู่ดีๆก็เจ็บปวดขึ้นทันทีอะไรให้เห็นต่อหน้าต่อตาช่วยแม่ทานก็ตายได้นั่นว่าพระเจ้าโชคดีได้ยินได้ฟังธรรมะธรรมะตัดก็ขยับเขยื่อนเลื่อนมาถึงจุดนี้เลยจุดที่เราหันใจต่อกันและการวันนี้เลยเว่าจิตกับจิตสัมผัสกัน ให้ลุงเรืองเจริญต่อไปในพุทธศาสนานั่งภาวนาภาคเพียนไปอยู่อย่างนี้ตอนนี้โอกาสดีนาทีทองลูกหลานตั้งใจมานั่งบำเพ็ญกุศลเพื่อจะได้พลังพลังธรรมพลังจิตพลังกายต่อสู้กับกิเลสกิเลมัน แทงหน้าแทงหลังแทงท้ายแทงว่าดึงหน้าดึงหลังเออคำว่าเป็นบ้านของกิเลสเป็นบ้านของเวรของกรรมของกิเลสอละล่ะรแรงคือมานรไายทั้งหลายจาังหวะเราได้ยินได้ฟั่งทำ ม, มาพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเราต้องพิจารณาไม่ประมาทเราค่อยพูดค่อยจาค่อยเพียนไปได้มากได้น้อยเราก็เก็บไว้ที่ใจ ือเก็บไว้ที่ตัวเราที่ใจเราที่ขันเราที่บ้านบิดามารดาท่าศีรษะห้าครบขันอาการสามสิบสองเปนว่ามนุษย์ที่อืมไม่มีกรรมไมีเวรต่อไปอีกแล้วมีแต่ดวงจิตที่อืมสดชื่นเบิกบานดวงจิตที่ผงใสขาวสะอาดจะเดินทางตามบิดามารดาตามศาสนาตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนําสั่งสอนแต่ลทัานละองค์ต่อไป ใเข้าลูกหลานก็จะเข้าใจก็จะได้เอาไปปฏิบัติรักษาจะไปจะมาจะเดินจะนั่งจะนอนท่านก็ยุีก่อนท่านก็ภ า, าวาเลยอรหังสมาสมุทโภพควาสวาขาโตสุปฏิปโนแล้วก็จะตั้งนโมสามข้งแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณ อืมการอธิษฐานจิตแผ่บุญไปข้าพเจ้าออกไปนี่ขอให้ได้กลับมาที่เดิมอีกที่ใดที่นั่งที่นอนที่พระบิดามารดาข้าพเจ้ายังอยู่อืมข้าพเจ้าท่านยังชีวิตจะอยู่ในกันหานี่จะดูให้ดีที่สุดดูใคร ดูคุณพ่อคุณแม่นัน่นหละดูพี่ดูน้องพวกเราทั้งหลายนี่หลยดูศาสนาก็สุดยอดได้ละเรื่องดูศาสนาเนี่ยก็คณะพวกเราเนี่้ l e a อ e NT ของพวกเรา TOT NT ของพวกเราดูอะไรส่วนห้ามว่าไม่ให้มห า, หาการก็กคิดถึงอยู่ตลอดญานอะไรเชื่อโลกกันไล่แรงกันยิ่งใหญ่ถ้ามันจูนเข้าไปถ้าธาตุอ่อนคีงบางเลยตายได้ ถ้าสุขภาพเขอมแข็งแข็งแรงก็ต่อสู้หาหมอหายาทานก็ผ่านได้นี่แหละท่านทั้งหลายบันนี้โอกาสดีน้าที่ทองไดมานั่งบำเพ็ญกุศลได้มาตั้งกิตตั้งใจแม้ ว, ว่าโชคดีวันเวลามีค่าอันประเสริฐทุกเวลาไดทำงานแทบโรภแทบาย วันนี้โชคดีนาะทีทองเออสียสละตามพระ อ, อาวาัตบารมีของพระพุทธเจ้าที่เือนท่านเมตตาให้ออสรรัตว์โลกทั้งหลายให้พวกเราทั้งหลายเสียสละดูแลคุณพ่อคุณแมออออออ่ไปให้ทานกับออออพระพุทธศาสนากับพระสงองค์ขาเจ้าที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะว่าธา ส, สามกิเลสออกจากขาดจากขันธ์จา ก, กจิตจากใจของภาวานาบิดาแล้วไม่อยากพูดกับใครต่อไปอีกเอย่างไญาติมันเชื่อมญาติมันจมลงไปที่ตามอีกทุกันไปสัมผัสกับกิเลสเขามากๆเขาคำลั ง, มงโมโหโทโโมาม า, มาแล้วก็โอ้หลวงปู่หลวงตาอะไร ว่าไปแบบน่ากลัวน่าจดสังเวชเหมือนกับว่าอะไรไปปุ้นไปจี้บังคับข้อขาดบาดตายก็ได้เป็นไปเราคู่เราอยู่ตามป่าตามเขาแก้ปัญหามัน่อดหลายเออล้วก็เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามุขสาคนมาให้ตัวเออสุราคนมาให้ดื่มทังได้มาบวชสุราทุกสิ่งทุกอย่าง โมสาอันตรายออข้าพเจ้าพูดไม่ได้ออมองไม่เห็นเขาทําอยู่บางกอกคนบอกอยู่พูลังกาคนบอกอยู่พลัอมเข้าออมันมันบอกไม่ได้เขายังบังคับให้เราตัวให้เราหลอกนะถ้ากเขาไม่สูขเขาก็อจะมองอันตรายเกียเราได้เพราะว่ามีสิบบาทห้าบาทก็เอาไปจ่ายแบบไม่ถูกต้องนั่นแหละ ค, คนบาคนอับเสา เศร้าปัญญาคนที่ตกไปที่ต่ำมืดมุนชนประการไม่แต่ความอยากพวกเราทั้งหลายโชคดีนาะทีทองเปิดรอยซาดพันทาวีลมทัดลมตีมาถึงจุดนี้พระเจ้าจะไม่อมเอาอความทุกข์ความลำบากมาคลองทดัดคลองขันบังคับจิตใจให้เราเป็นทุกข์ถึงขนาดนั้น นี่แหละพากันตั้งใจเราอยากได้บุญเราทำคุณงามความดีเห้แห่งของบิดามารดาให้มาเพม่นก็สอนให้อดทนนะลูกนะเพื่อจะได้ผ่านผ่านคิเลสตัวมันรุนแรงที่มันไม่ให้เราทำนั่นแหละเพื่อจะได้งานดีก็เงออินดีงานดีก็งานหนัก เพื่อจะสู้ผ่านมาได้เพื่อจะได้เก็บกรรมลำไคมาเลี่ยงปากเรี่ยงท้องนี่นั่นแหละเป็นคนดีมีความอดทนเป็นลูกผูม้มีพระคุณแก่พระวิดามันดากระจนอยู่กระเวทีที่ถึกต้องอพากันเข้าใจในจริ <c oughs> ธรรมอัธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์เมตตาพวกเราทั้งหลายได้แล้วท่านก็ ม, มาโปรดทถอะ ออกจากป่าจากเขาเปิดโอกาสอืมไม่ปิดซ่องหอนทางให้ลูกหลานผ่านเข้ามาฟังเทศฟังธรรมมากินมาทานมาทํากุศลพ้นปุณณ์มสร้างบรารมีให้จิตใจของสายขาสะอาดทบปืนตีกันมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าผู้มาทุกข์เอาทุกข์มาหาจิตที่ยังไม่ผ่านก็ลากคอกันไปอีกเอาไปเอาไปอย่าง ออืมาไปใส่ทุกไปใส้เวรใส่กรรมต่อไปจนหนักจนแก้ไม่ได้ก็การตานรกคืออะไรอยอืมที่พุทธเทศไว้ที่พเทศทุกทุกกันนั่นแหละแปลว่าเหมือนทุกกันที่พุทธห้ามพวกเราทั้งหลายเออลงจั่วเนี่ยิ่งเอาหนักเลยเออหลายแบบหลายอย่างพยายมมาทูตโยมที่บานจานรก ือเตรียมลากพวกเราไปเมื่อรุดออกจากรากเมือ่อใดก็ดลากไปที่ต่ําืำลงไปที่ลึกๆือดูหน้าก็ไม่เหมือนพวกเรามานั่งอยู่นี่หน้ามืดหน้าดํามองแต่จะเอามองสะจะบังคับมันทาไม่ได้ก็ถึงอันตรายได้เหนเป็นอย่างนั้นจริงๆในโลกนี้จังว่าพวกเราธรรมะตัดเนาะถ้าเจอก็เออถอยหลังสาธุข้าพระเจ้า หยุดแล้วหยุดแล้วอยู่ในใจพุทโธพุทโธถ้าจะเป็นยังไรก็เป็นกับพุทโธแล้วเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์พระพ่อแม่ครูอาจารย์เต็มรอยเปิดเต็มพันเปิดเสร็จแล้วอืมทุ่มเทเสียสละไป็มอดทาตกันเราก็มวงแหนที่สุดแต่ว่ามอบกายถวายชีวิตมันก็ผ่านไปได้มันก็สลายไปฉันก็ลุกไปแสงตาจี่ตาซัก มันก็เสือกจักกับคืนหาตัวเองเอลตัวเองเองืมารวาีนไทยอันนั้นมันอยู่กับคนไม่ได้อยู่กับอย่างอื่นเด้อคุณสอนไว้ถูกต้องดีงามอืมท่านทั้งหลายลูกหลานวันนี้ีโอกาสดีนาทีทองของพวกเราทั้งหลายที่อืมเสียสละมานั่งบําเพ็ญกุศลตามอืมพุทธธรรมสองท่านนี่แหละเด้อืสมสุลุมพุทธธรรมพุทธศาสนาเมลามีธรรมของพระเจ้า อืมปากเขียบปากขังดึงดูดลูกหลานเข้ามาอืมแล้วก็พูดต่อกันไปเข้ามายากไปยากเออได้ยินไปทั่วไปหมดสิบโลกกะถาแต่ว่าเอออยู่เขาไปทำงานอยู่ที่อในทะเลในเกาะในอย่างอืมอยู่ในนีที่นี่แหละเขาว่าเออหลวง ป, ปู่พลงประเทศอืมนั่งสมาธิมีปัญหาอันยิ่งใหญ่ ท่านเงันขึ้นอยู่ในอยู่ในอยู่ในที่อยู่ที่นอนมเรื่อนลอยอยู่ก็ดีใจปิติเขาเขาสอนกันลูกหลานที่ไปทำงานเขาเออเขาฟังอยู่เพราะว่าหูทิพตาทิพนี่ก็รักษาไว้ให้ อืมบ้านเมืองให้ลูกหลานทั่วไปได้ใช้ผลประโยชน์ถ้าใช้ไม่เป็นเกิดทุกทันทีได้นะทุกทันทีหลอกกันง่ายที่สุดอยู่ในญาตตัวนี้คนจึงบอกให้ระมัดระวังให้เตรียมตัวไว้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหน่วยใดงานใดก็ให้ระมัดระวังลูกหลานอืมถ้าเกิดความอยากความอ อ, อะไรซึนมาแล้วมาเกิด เป็นทุกทันทีก็คือมันหายไปนานำไม่ได้เลยแหละเออนั่นแหละพากันมาฟังเทศฟังธรรมมาพากันเข้าเข้าใจเลยก็ประกาศศาสนาต่อกันไปบาปมีจริงบุญมีจริงความสุขความเจริญของพระพุทธเจ้าถึกต้องดีงามอยู่กับจิตใจของแต่ละท่านละคนการได้ยนินได้ฟังความสงบรวมเย็นเข้าสัมผัสใจดึงดูด เจ็บนื้อเยเจ็บกายก็เบาขึ้นรุ่งเรืองเจริญขึ้นทันที่ค่าอืมฟังเทศฟังธรรมในการได้ยินได้ฟังนี่มันสําคัญที่สุดคือจิตกับจิตสัมผัสกันตรงๆอย่างนี้เลยอออยู่ในจำหรักจำหลาอ่านไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราบทกรรมบทเวทแล้วมาค้นคั่วพระธรรมพระวินยัยอ่านแล้วก็ปฏิบัติตามเดินไปเพื่อสิ uit. Uit. Utan, มันเป็นของจริงหรือมันเป็นของอะไรเนอะแล้วก็ว่าให้อดทนเออ ปานาเวละมะนันีทั้งหิวทางเหอนทางสารพัดเออเคยกินเคยอยากนะมั้งปฏิบัติแปลออกมาเป็นคําภาษาพ่อแม่ห้ามทุกสิ่งทุกอย่างเลยเออเราก็ไม่หยุดแบบนี้เออเดี๋ยวเห็นเขาพิษเขาทำก็ไม่รับไม่ได้เพราะว่าตาเห็นหูได้ยินเออเราก็คนก็ไม่สันไม่เอาอสันแต่ข้าวกับน้าคือนํานมพระรรดาอย่างเดียวเท่านั้น ออโวปนานาโตอาทินาธานาก็ไปเห็นเขาพูดเขาจายอย่างนู่นอย่างนี้เพื่อกระพานนี้เออจะมีของลูกของหลานเพื่อสอนไปให้เป็นหัวแก้วเมียทิพย์ให้รู้จักการไปการมาการเกิดการเก่การเจ็บ ก, ก, การตายนี่เป็นของอืมจิตของใจพวกเราที่เกิดเก่เจ็บตายปูกมัดมบังคับอยู่อย่างนี้ือท่านทั้งหลายอย่าไปละเมิดให้ฮักให้แทงกันถ้ามัน มากรรมมันดึงดูดมหากันแล้วก็เ อ, อต้องสู้ต่อไป อ, อืตามปู่ญาตายายสู้ต่อไปเกิดไปกับบุตรน้างหลานสมผานอยู่น้องลูกอันนี้คุณว่าถ้าสุดไม่มีอะไรผ่านแล้วก็หยุดก็มีแต่ตัวเรากับใจเรากับกิเลส เ, เ, เรากิเลสเราก็เออเวรกรรมของเราคุณวออ่าถ้าจะสรุปเข้ามาให้เข้าใจกันไปอีกออได้บุตรหนึ่งลูกหนึ่งกับกรรมหนึ่ง ได้สองลูกกับสองกรรมได้สามลูกกับสามกรรมได้สี่ลูกกับสี่กรรมได้เงินแต่ประเทศนั่นเมืองนี่ข้าวฟ่างรันแทงกันออสองวงคามโลกคุณวะเกิดขึ้นทุกบ้านทุกเงานเป็นอย่างไรกันหลังไหลกันลงไปมโนโลกคุณวะนี่แหละเป็นตัวกรรมทรัพยตัวคนออตัวเสื้อตัวสร้างพอแม่ครูอาจารย์ก็หลีกได้หลบได้หมดยังมายากจะหลีกคนถึงยังไงถ้าบนอย่างลำรานสมพันธ์อยางลลูกนี่ ออืมีแต่เมืองไทยเรานี่แหละส่วนออืส่วนหลายส่วนน้อยก็เป็นธรรมดาออืถ้าส่วนหลายออืสุปฏิปโนตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความสุขความเจริญไปว่ากาันเขาก็ห้ามเขาก็หยุดเพราะว่าเกิดมาต้องการความสุขกันมดทุกคนเ อ, อแต่ยังเด็กห้องหาพ่อ ห, อ ห, อหาแม่สาวใส่พี่ใส่น้อง เออก็อาศัยว่าช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือเออมันพูดไม่รู้เรื่องภาษามันก็บอกว่าช่วยเหลือช่วยเหลืออยู่เพราะว่าเขาไม่มีกรรมมากยังไรครัพระเจ้าก็ได้มาเกิดถ้าขพระเจ้าอืห้าอยู่ห้ากินได้ครัพระเจ้าจะดูแลอืมพวกท่านทั้งหลายมาบวชก็ดีจะเป็นคนที่ไม่ละเมิดศีลไม่ละเมิดธรรมเขาก็บว่าโตเด็กนี่ถ้ากิเลสมันเข้าแล้ว ทุกวันนี่เพั่นจงว่าโอ้ยอันตรายอยู่เลยทั้งบ้านนอกขอกป่าทั่วไปก็สิตตามกันไปหมดะเพื่นว่าสิบปีนี่ทำไยวิรามานดาข้าคนได้แล้วเพราะว่าจิตใจมันตาม้าเร็วชามมันไปเจอกับสิ่งที่เพื่อนห้ามอะไรกินเป็นยาปู่ยญาตายายโบราณเพื่อนก็นสร้างมาแก้ตก น้ำดำเขียวอะไรเพื่อแต่งขึ้นมาสมุนไพรเป็นสุราเป็นน้ำกินแล้วกันกรองกินแล้วก็เป็นยาแก้ให้ละลายเลือดอะไรก็ดีขึ้นหายเพื่อมาเป็นยายุคใหม่สมัยเจริญเป็นได้ทุกแบบเป็นควันก็ดีเป็นเม็ดเป็นอะไรนิดเดียวเข้าไปแลนจวดไปไปตัดสะพานบุญไป เส้นศีลเช่นธรรมพังทลายหมดนี้จะความวโมโหโทโซเกิดขึ้นไเป็นอย่างนั้นเลยเพวกเราทั้งหลายต้องเข้าใจแล้วกันกันไว้นั่งสมาธิภาวนาให้ทานรักษาศีลไปตามที่เราทําได้ต้องกันไปเรื่อยๆนี่เลย การเข้าใจเป็นบุญเป็นกุศลวันเวลานาทีผ่านไปผ่านมามาถึงจุดที่เรามานั่งบําเพ็ญกุศลมาคล้องเคียงสามัคคีกันในวันนี้โอ้ยดีใจป่าพุ่มพิติอืิปู่ก็คิดว่าเอรถติดก็ให้สยับขยายให้ได้ไปถึงคุณคิตติคุณสองท่านสามท่านบริษัทบริวารของเราทั้งหลายนี่แหละที่นั่งรอรับตั้งใจ เต็มรลอยเต็มพันอืมผู้ที่ฟังอยู่ทางบ้านก็ดีผู้ที่รออืรับแสงอัดแสงทมกรรมมันมาผ่านไปต้ให้มันผ่านไปให้ธรรมะของครูท่านเจ้าเลื่อนลอยเข้าสู่จิตสูส่ใจทุกทั่วหน้ากันในเมืองไทยของพวกเราบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุขคุณรังสรรค์ถ้าเราไม่สนใจกันหมดเลยมันก็จะวุ่นวายกันยิ่งใหญ่ไพศาลเลยเลยคุณว่านอมเข้ามาอืลิ้นอยู่ในปากกันยังกัด ของดีๆอยู่ในตัวเราบางอย่างซื้อมาประดับประดาก็เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาได้ก็มียเยอะแยะเขาฆ่าเขาทุบเขาตีเอาอะไรทุกอย่างคือกรรมทั้งนั้นจะมาจะมาหาตัวเราอย่างว่าพวกเราไม่ประมาทวะนี่มีมากมายหลกองก็เอาไม่ได้เพราะว่าธรรมะตัดแล้วธรรมะมาห้ามแล้วพระเจ้ามีทานแล้ว อืมใช่กรรมใช่เวรแท่บุญไปให้เจ้ากรรมนายเวรไปให้ผู้อะไรทั่วไปผู้มีพระคุณให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเออญาตที่ไปบอกนี่คือเลืเออ่อนลอยขึ้นมาทันทีเออมาหาพวกเราเต็มอยู่ในทั้งหน้าทั้งหลังเราก็มองไม่เห็นอากาศอันนี้ยินญาณอันนี้มันมันละเอียดแค่นั้นเลยเออถ้ามันเป็นตัวเป็นตัวมาหาเรามาบอกว่าไม่มีผู้ใดมานั่งตยูนี่ต้องอดทนไปนิพพานหมดเลยพี่มัน มันยังไม่ถึงเวลานั่นถ้ามันล่อนเข้าร่อนเข้าหละอืมฝึกนั่งสมาธิภาวนาอดทนขันสี่ปารมีไปเย็นขึ้นเย็นขึ้นเข้าในยานตัว น, นี้ได้แหละไปนิพพานหมดเลยมันขา น, นิดเดียวเท่านั้นหละคุณผู้ชมเส้นบ่มบังภูเขามันขา น, นิดเดียวอืมอนนดดืมอนนดดถ้าเชื่อใครเป็นผู้พาเราเชื่อหลวงปู่ปู่มั่นหลงวงตาบัวอืมทุ่มเทเลยไม่ได้ไม่ได้กลัว พระอาทิตย์จะล่อนท่านก็ตากเสื้อช้างนางไม่โรคภัยไข้เจ็บตายก็ยอมตายอืมันไม่เจริญโรคยาโรคภัยไข้เจ็บยาก็แต่งมายังไม่ทันแต่ว่าอยู่น้ำธรรมชาติจมูนไทย ท่านก็ดีได้มาโปรดลูกโปรดหลานพวกเราทั้งหลายอายุถึงเก้าสิบกว่าปีก็ถือว่าโชคดีโชคดีท่านก็เตรียมสถานที่ไว้วให้อะไรมากมายกับเป็นเงินทองเป็นของข้าพเจ้าบารมีข้าพเจ้ามากมายก็ไว้ให้ลูกให้หลานอืืมช่วยเหลือโรงพยาบาลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละยยากจนข้าพเจ้าไปโปรดผู้มี บุญอันกุศลผู้เที่เสื้อง่ายบอกง่ายเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธสาวกผูอพุทธพุทธมาอุบาสกอุบาสิกาพือผู้หญิงผู้ชายเขาเห็นเขากล่สาธทู่ม่มอข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากทำบุญอยากใจบาตรอะไรก็ทุ่มเทแตง่งทำให้ได้หลับได้นอนแส่งถวายบูชาท่านท่านก็โห้บาลามีบาลามี แค่สารแค่สองสามคำก็อยู่ได้แล้วแต่ว่าไปนั่งลงที่ไหนเวลาเดียวไอมไปหมดเพราะว่าก็ได้กันหมดทุกคนนั่นแหละเพราะว่ า, วา อ, อะไรเราเกิดเรากินด้วยการฮักกันในแผ่นดินร้อยคนพันคนผู้รับองเดียวสารให้ คำจ็ได้นำการเหลือนั่นก็เสีังมงาคาราแจกจ่ายกันไปลูกหลานเป็นของทิ่ไปหมดไม่ใช่เป็นแต่อยู่ในสถานที่นี่หนะ้าที่ให้มาเป็นไปอยู่ที่ธนาคารอะไร เงินเราฝากไว้เอาไปซื้อกินที่ไหนไปที่ไหนก็เป็นของที่ไปหมดเออเป็นอย่างนั้นถ้าทําให้มันถูกต้องนะเออไม่ได้อย่างง่ายๆเงินตาเงินทิพย์เงินทานเราเป็นผู้นําเราเย็นเราเป็นเจ้าของของใจของจิตที่สงบร่มเย็นเออรับของทิพย์ไปแจกจ่ายทั่วกันไปผู้กินแล้วเอร่อยแบบหนึ่งเว้ยสดชื่น เพราะว่าถ้าจิตถ้ากิเลสมันเหยียบทิ่มตีที่ม ม, มันไม่เอานี่ยังว่ามุ่นวายไปตกนรกคนคนจะตายมากกันดังห่านี่ไปดูไม่ไปใกล้ไม่ได้กับพวกเราจะเป็นพี่เป็นน้อง ก, ก็ดามเขาต้องไปผูกไปขังไว้นั้นพังทลายเห็นใส่ก็จูดเผาเห็นผ้ากับฟันหน้าฟันหนาไปคนว่า วิปลาสอันไล่แรงคือบ้าเกิดเลือดบ้า <c oughs> นี่แหละท่านทั้งหลายพากันเชื่อมั่นในบุญในกุศลของพระพุทธศาสนาของพ่อแม่ครูว่าอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทำมาเจรายให้พวกเราพวกเราทั้งหลาย <c oughs> เป็นมหาบริษัทเป็นผู้ที่มีความอดทนเชื่อมัน่นข้าพเจ้าได้ยินได้ฟังชินน้อยนอนน้อย เหลือนั่นก็ไหว้ถ้าเจกจ่ายทำบุญสร้างบารมีสร้างสะพ า, านบุญกับหัวหน้าใหญ่สองท่านสามท่านในหนัง่งทั้งหน้านี่เลยท่านเป็นผู้สักส่วนจูงเพื่อนจนกลัวจะไม่มีท่านก็สืบทอดต่อกันไปถ้าไม่มีพวกเรากรบบาบไหว้รูสาไม่มีผู้ห้ามอามันก็จะล่อนเป็นฟืนเป็นไฟไปเถือเึกสงครามไปซุกทั่วอยอมยาก วางประเทศบางบ้านบางเมือ ง, ง, ง, ง, งนี่ก็น่ากลัวอยู่แล้วอืมจังหวาเราเตรียมจิตเตรียมใจทําเกิดเถอะว่าเกิดที่บ้านเขาบ้านเราไม่เกิดพี่น้องเราไม่เกิดญาติเราไม่เกิดใจเราเต็มร้อยถ้าใครจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันไม่ได้ตายพร้อมกันมากับพระวีรามานดาเขาก็ช่วยเหลือเรามาได้แล้วอืมเราไปวัดเพิ่งกระ บ, บอกให้นมโมตัดสะพระคาวโตวแล้วือจัดไผ่จัดมัน อืมใจเราเย็นเราคอเลยเพราะว่ามันไปยากถ้าสอนไม่ได้ก็โตไฟโตมันอย่างนั้นเออนี่หลยลูกศิษย์ท่านผู้ไเจ้าคือพวกเรามานี่เลย <c oughs> ส่วนแล้วส่วนอีกไม่มากก็สร้างเขาเพราะว่าเราเตรียมตัวจะไปแล้วอืม <c oughs> ้าท์เขาทาท์เราทาท์เขาเขาก็จะฝังเขาก็เผาสุดท้ายไม่ได้อยู่คํำฝ้ า, าให้ลูกหลานเข้าใจให้เข้าใจอย่างนี้เลยเอมเอาไปปฏิบัตินะม <c oughs> วันเวลานาทีของพวกเรา โอกาสดีนาะทีทองเราจะอยู่กันไปเนี่ยนี่ลูกหลานทั้งหลายกําลังกําลังมั่นใจจะปฏิบัติธรรมเอาให้ได้อือครับพระเจ้าเสือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อือครับพระเจ้าจะนั่งครับพระเจ้าจะบาเพ็ญเพียรทุกลมหายใจอือเอาพุทธโธมาเป็นที่พึ่งมาเป็นที่ยึดอือพุทธโธละหังอะหังพุทธโธเดินไปอืหของใสข่ขาสะอาดอือพระทิพพระจารย์ก็เป็นเป็นยา หนาวก็เป็นยาร้อนก็เป็นยาไม่กลัวไม่กลัวร้อนกลัวหนาวปู่ย่าตายายสัมผัสมาแล้วบุกเบิกมาให้หมดแล้วเออวันนี้ข้าพระเจ้าต่อสู้ไปเอาทุกอย่างเออไม่กลัวแดดกลัวร้อนไม่กลัวเจ็บกลัวปวดเจ็บมากก็เป็นเจ็บน้อยอันนั้นผู้จิตสูงใจกุศุดแล้วนะเออเพราะว่าขันน่นนี่นิดเดียวเท่านั้นอะไรมาชูนมาขีดมาเข้าอยู่ทางนอกมันยังพอช่วยทัน ถ้ามันเข้าในตัวแล้วแล้วกับตัวไข้ตัวมันขขักเนี่ยเออลามไส้จะเป็นมะเร็งนะว่าตับจะเป็นมะเร็งนี่ก็ห้อยเลยตายไม่เกินสามวันถ้าจิตเข้มแข็งเนี่ยเพ่งผ่านหนะหมอเขาก็แต่งยามาให้ท่านถ้าท่านก็ทานถ้าไม่ทา น, ถ, านถ้ามันไปหลายแล้วก็ อ, อืมคราบพรเจ้าก็ยอมรับว่าเกิดเอาใหม่ชท่นั้นเลยเพว่ามันมาอย่างนั้นจริงๆนะ อ, อืมตายทั้งแม่ทั้งลูกก็เยอะเอมแต่คนโบราณมันออกไม่ได้ ช่วยยังไงก็ช่วยไม่ทันไม่มีหมอมีอะไรมหมอก็ดึงเทื่นดึ ง, ด ง, ดงลากระตายเพราะว่า ก, กรรมมันเป็นแบบนั้นธรรมะตัดก็ไม่เป็นธรรมตาตัดคนบอกว่าให้ระมัดระวังนะยนอนก็ยังให้นอนมีระเบียบอยู่ในพรอคันออนอนง่าย ก, ก็ว่าอืโรคมันติดอะไรมันไม่ออกอะไรก็ว่ากันไปเพื่อนบอกส า, ามีอะไรไปป่าไปเขากะจะไปอัด ทำอัดเหวอัดหูอัดหอยอัดอะไรให้ระมัดระวังให้เป็นคนที่อยู่ในความสงบลมเย็นอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมอืมอย่างอื่นอย่างใดก็ช่วยเหลือให้เรช่วงนี้เจ้ามานัยมาแล้วอืมเวรกรรมมาถึงแล้วคือว่าอภาษาเออมีไปหาอยู่หากินก็นให้ระมัดระวังอไปเกินท่าออจะฆ่าจะอะไรก็อย่าให้ มีเสียงมีปากอะไรพนว่าไปให้ใส่ปัญญาให้อะไรให้อดให้ทนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าถ้าโลกลูกบุตรีบุตรตาจะมากรรมทั้งหมดถ้ามีกรรมก็ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากินเห้งกินแหงกันได้ป็นบางชนิวันดีนาทีทองเมื่อนี้ได้มาฟังเทศฟังธรรมอดทนขันติปรมีไปนั่งสมาธิภาวนาตั้งจิตตั้งใจหรือว่าท่านว่า ให้ปู่เล่าเรื่องที่จะว่าสร้างองค์พระมหาเจดีย์ไปอยู่ฟัรล้อมเข้าไปอยู่วัดปัานณ า, าเราไปอยู่ปราสาปราสาทางกฎหมายมาเห็นนาอำเภอเผาไทยโซ่พี่น้องทั้งหลายเขา เขาท่านก็พูดภาษาบางคนบางอย่างก็อยู่ไปตามธรรมชาติธรรมป่าือก็ยังให้สถานที่นี่เป็นวัดป่าเป็นที่กราบไหว้ของชาวเผ่าในป่าในเขาสถานที่นั่นแต่ก่อนก็โอ้ยลํำบากจริงๆอึ่มโฮทัศน์ง่ายอาฟันรันแทงกันต่องหอง ต, อต่อตาอออะไรก็หือน่ากลัวจริงๆมก็เลยว่าปูกไปโปรดได้จะให้เป็นวัดเลยหนก็ไปแท็กเป็นปรปภให้เป็นวัดก็ง่ายส่งมาก็ ือทางนี้ก็ทางกฎหมายทางือวันเมืองเราือกรมศาสนาที่ราชมาคมทั้งหมดนั่นแหละอนุญาตให้เป็นวัดทันทีนี่แหละนั่นแหละจงว่าเป็นวัดเพื่อตั้งซื่อว่าแสงคำกันติโกสายยาหลวงปูห่างกันเกับบริพูรอบมันมีพระอยู่ือเขาหนีไปเราก็ขึ้นไปมาที่แรกก็ขึ้นไปอยู่มันมีพระถ้าเราจะไปแย่งกันก็มันจะตีกันผักอะไรไม่ <laughs> กิดเลยแล้วก็ ถอยๆไปก่อนมันก็สวาดะเว้จริงๆที่ว่าถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาหนีไปไม่มีใครรักษาสถานที่ตัว น, นั้นเป็นลอยมือร้อยเท่ามาแต่ปู่ย่าตายายแผ่นดินอืเกิดขึ้นมามีคนมีอย่งกับมีพระมีเจ้าก็ไปภาวนาที่นั่นก็เย็นสดชื่นที่ว่าลุงปู่ใหญ่ก็ไปภาวนาลุงปู่มั่นลุงปู่หลุยลุงปู่คงมาก็ดีกับประวัติปูก็เขาก็ให้มนไปไปอะไระเออ ถ้าจะให้ปู่อยู่มันมีผู้รักษาบริแทนดินนี่แหละบรประเทศพว่าอุทยานหรือว่าเป็นสาธารณประโยชน์สักหน่วยใดดูแลครอบครองเราต้องไปหาป่าไม้ไปเจ้าเป็นเจ้าของพื้นที่ลูกหลานพราณาพังโคมันติดกันพากันไปเขาก็ว่ามาอะไรกันมากมายมหน่วยหัวหน้าป่าไม้อุทยานเขาโอ้ยอพอออกจัดทายาโยงอยากให้ปูไป รักษาลอยเมลอยเท่าผู้ล้อมเข้าแต่เอ่นเขาเอิญผู้ล้อมวันนี้ผู้วันล้อมไหว้พะบัณผู้ลอ้ล อ, มลอมเข้าเป็นวันโพสคิรีอันสวยงามอยู่ในเมืองผูพานอำเภอูพานอันยิ่งใหญ่นี่ตัวนี้สำคัญที่สุดดูแล้วก็เป็นเหมือนกับพระทาตมาตั้งแต่ยุคใดสมัยใดก็ทราบไม่ได้ดอก ด, ดึกดำบันใดก็ดี เหมือนภูเหมือนกับคนสร้างเหมือนกับคนมาแต่งมาแปลงขึ้นมามีหินมีอะไรมาร้อมสูงขึ้นแต่ตัวยอดแท้ๆเห็นนก็ว่าเจดีย์เก่าวะนี่พระสงฆ์ครูอาจารย์ไปเยี่ยมไปพักนอนคืนแต่งให้อยู่ตามดินตามหญ้นั่นแหละมันก็มาถามว่าโอ้ท่านเจ้าลู่แล้วไหมสถานที่นี่เป็นอะไรท่านว่าอืมเจ้าลู่แล้วหรือว่าเป็นเจดีย์เก่าเหมเพือนก็มาเยา่ยให้ปูเสียหลักนั่นแหละคือว่า ยังให้ปูสร้างเกดีครอบกันขึ้นก็นถ้าเป็นทุกได้ถ้าญาติโยมปู่ก็ว่าดูไปก่อนพันว่าเรา ด, ดูไปถ้าจะสร้างได้ทำได้ก็เทพบุทรเทวดาในสามแดนลูกกรกทนเลยจะมายกมาช่วยจังขึ้นต่อขึ้นไปได้เพราะว่ามันสูงเครื่องจักรเครื่องยนต์อะไรขึ้นเข้าไปไม่เข้าไปใกล้ไม่ได้เลยนี่แต่ห้างแห้งของลูกของหลานอยู่มาก็ อือว่าข้าพเจ้ามีกรรมหลายข้พะพเจ้าเป็นทุกข์เป็นอะไรมากมายก่กลกองให้พ่อแม่หลวงปู่อนุญาตให้สร้างองค์พระาธาตุเจดีย์พราะว่าอย่างนั้นก็เยอะอยู่แต่ว่าสร้างเขาคขนขึ้นเขาว่าแต่ยังแต่โบราณทวนว่าผูใ้ใดบาปหลายกรรมหลายดื้อด้านอืมไปหาผินหาบู้ชายมาเข้าวัดพุ่นเอามาเ็ทพธาตุเอาม า, า, เ, อ า, มาเอามาตุประทายเอามาสร้างท่าเขาว่า ตีขอ้อมวยไม่ได้ยินเสียงข้อเละหาบมาให้ปรงคนว่าหาบมาให้มาถึงวัดคนว่าโบราณนะได้ยินอันนี้ก็เลยว่าวันเกิดที่ผ่านมาพฤศจิือกราศงพันหนเรอหกสบหกมีญาติโยมมาหลายปากหลายพูดก็วางศิลาเลิกสร้างธาตุเชิญนายอำเภอพังโคนเป็นเจ้าของพื้นที่ไป แล้วก็ขึ้นไปดูแล้วก็ยังไมาให้ว่าอะไรดอกคนที่บางคนก็เตรียมเงินเตรียมทองไปอหอมักใหญ่ก็มีกัมพใหญ่เท่าไหรด่ดอกเงินตามธรมรมชาติเราเนี่ยแหละไม่ได้เงินออกจากเมืองเมืองหลวงเราไปเอามารวมกันลงก็ไม่ได้เท่าไหร่เลยเอาวางไว้อวางอธิษฐานสวดเทียนตัวแล้วเย็นสดชื่นเข้ามาปูว่าโอ้โหมีความสุขจิตคือว่า พาดขันเราหนักต่อหนักคือว่าลมพัดเข้าไปหายใจมันพังออกลงไปเขื่อนทะเลพปเลยอืมมันเปกอยู่อย่างนั้นเลยเรื่องเรื่องให้ทําำวางาเวลแล้วก็นิ่งมาก่อนอืถ้าจะเข้าขันทีลถ้าจะถึงเข้าพันสาศีเลยตั้งใจร่วมกันมายกมาทําขึ้นให้มันเป็นรูปเป็นร่างไปจักหน่อยแตไหลาลาบลื่นไปนักเรียนก็ดีเถอ คนเท่าคนแก่ไปยกไปแบกไปขนไปหามขึ้นอยากให้มันแข็งแรงอยากให้มันสวยงามอยากให้มันราบรื่นเออต่ปู่ไม่ได้ไปเตะไปตอกไม่ได้ทําอะไรนะปู่จะเป็นผู้สาธุอนุโมทนาให้แค่นั้นไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปนะเคนคนทํานะอันนี้เป็นของลูกหลานศัตหายาดโยมที่เลื่อมใจในะพุทธศาสนาออืมอืมมหนักก็ให้เป็นเบาขนขึ้นแบกขึ้นไปไม่ใช่ตำต ำ, ตำปูน ห้าสิบปีโลแบกขึ้นแบกขึ้นแบขึ้ น, แบบ น, แบบนสิบเที่ยวเพิ่นไปปูถามเขาว่าโอ้ยมาพักเลยได้สิบถุงแล้วกันยังไม่ถอยยังลดแล้าอีกมันไม่หนักหรือมันเกือบสามสิบสี่สิบเมตรเึ่นจากพื้นขึ้นมานี่มันจันทั้งเซนหน้าเซหลังมันไม่เหนือห่อยเลยเพราะว่าคือจังอยู่ในหูเอายกไปยกไปเจ้าไปเจ้าไปเย็น โรงลงแลผัดสดชื่นโอ้อันนี้เนาะคุณ ว, ว่าเทวุเทวดามาสร้างร่วมอนนคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของพวกท่านตั้งอธิษฐานจิตเหลืมส่วนนั่นมามามาซึกมาโจมเบาสดชื่นในท่านในขันที่ว่าพระที่มีป่วยนี่อะไรไปทําแล้วก็สดชื่นขึ้นแล้วก็ซ้อมนั่งพิจารณาอยู่แต่วก็ลากขึ้นไปได้ด้วยดีขึ้นไปเออมีม สั้นคือพวกเรานั่งอยู่ดีเลยจะจะต่อขึ้นไปอีกก็เพือว่าเข้าพรรษาแล้วก็ได้ลงอุปบสถบ้านคือสุดยอดเลยวันลงอุโบสถสังฆกรรมได้ทำํำผลประโยชน์ได้นี่แค่นั้นมันจะว่าทํายากที่สุดมูปูว่าเนึกว่าสองปีสามปีคนได้กันสี่ขึ้นไปอยู่ส้นฝ้าส้นฝนมันอากามีอีกมานั่งโอ๊ยบานนี้ขึ้นมาแล้วมันสูงปูเที่ยวขึ้นเที่ยวลงก็เหนื่อยถ้า ใครให้กวงสละดอดทนมาเฮ็ดกุฏิข้างกันนี่หลยเฮ็ดกุฏิน้อยให้ปู่พักผ้าคนก็ออกแบบญาติโยมก็โคตรไม่มีวันมีเคินขุดขุมให้ดีแข็งแรงตั้งขึ้นได้กุฏิน้อยเทียมข้างเออแล้วก็ห้องน้ําอีกอยู่ข้างบนได้สามห้องได้สามห้องต่อผู้ที่เสื้อบุญเสือ้อกุศลเต็มร้อยนั่นเลย คือบอกกันไปทำกันเร็วพ่ออมการทั้งห้องน้ำํำทั้งกุฏิทั้งองค์พระธาตุเจดีย์ธาตุพ่อท่านแม่อะไรนี่มอยอีกคนหนึ่งคือก็คือละวานั่นแหละกี่เหลีน้่นไม่ว่าพระวาดเน้ยนว่าใครเป็นใครเลยมันเอาสิ่งได้แต่ว่าวาดภาพเนี่โอยสวยงามมากเลยคนหนึ่งเหมือนกับท่านนี่เลยเหมือนกับท่านสงรงไปให้ภาพสวยสื่อโก้สื่อท่านได้ยินแล้วก็ไปดู ไปดูไปเห็นแล้วโอ้สวยงามผมจะช่วยจะพาดแต่เขาก็มีครอบครัวแล้วล่ะแล้วก็บวชได้ยี่สิบกว่าปีบวชี่สิบกว่าพรรษาเลยเนี่ยมันก็ถึงเวลาของใครของมันนั่นแหละถ้ามันเสื่อมแล้วมันมันเป็นไปได้ เท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ให้มันเสื่อมคือท่านทั้งหลายมานี่เห็นกันไปเรื่อยๆนี่มันไม่เสื่อมสู่ไปเรื่อยๆอันนี้คือสุปฏิปนโง่เต็ม 100, ร้อยเต็มพัจจนเปอื์กับจัตถนาอเมื่อเวลาออกจากร่างไปเ ท, ทวดาเทวดาเท่ามหาภพก็มารับขึ้นเมืองเมืองสวรรค์อืมแต่ไม่ถึงนิทานล้วก็ยังโูกดีอยู่ 16, 13, สิบหกสั้นฟ้าสิบห้าสั้นดินนี่เราอยู่ในท่ามกลางของโลกนี่อยู่ในเมืองมโนโลกอันนี้ ขากฟันลันแทงกันสร้างบุญสร้างกุศลอะไรอยู่ในมดอย่างว่าดวงตาเห็นธรรมก็พวกเราทั้งหลายโห้พากันดีใจนั่งเงียบโอพิ ต, ติปูก็ดีใจเห็นลูกหลานจะเล่าเรื่องประวัติที่เปลี่ยนไปที่จะได้ช่วยกันดูซาธรรมพระพุทธเจ้าเนาะตอนนี้หมอนั่านางขึ้นไปปู่ใครสร้างกุฏิปู่ก็สวยงามทถใครออกแบบผมว่าถ้า ผมก็จะช่วยเต็มที่ผมจะเป็นผู้วาดรูปผมจะเป็นผู้แต่งให้ช่วยงามที่สุดในรูปคุณวะเพิ่งเห่าปูอา่อีกเลยได้บ้านีเออวันในเฮ็ดธาตุขึ้นใส่ในการสร้างอีกหลังหนึ่งข้างกันนี่ข้างล่างก็ให้ครูบาอาจารย์พักได้ข้างบนก็เฮ็ดธาตุขึ้นเป็นธาตุลูกธาตุแม่คุณวะเอาอีกแล้วบ้านบ้านเอาอีกแล้วเวลาลามแท้บ้านเอปู่นั่นแหละจังว่า อ, อสร้างโก้ซื้อท่านฉันก็เขียนภาพเขียนอย่างบ้านนี่ โทรเอาเงินแล้วบ้านเลโทเอาเงินให้โอนไปให้เกือบสองหมื่นแล้วเห็นรูปมาหนึ่งเห็นรูปลองตะบัวมักใหญ่ก็สวยงามคือท่านทำเลยแต่ยังไม่เห็นท่านอีกแต่ว่ากระเสื้อกันเพราะว่าเคยบวชเคยอะไรก็เป็นเกิดมาแต่ตัวเล็กๆออพี่น้องนั่งไปวาดภาพเขาเข้ากระดามันคือเขา ม, มันคือวาดเกิดมาตั้งแต่รูปภาษาจับกระดาษดินสอรหรือว่าอืม ที่ทานไฟมาวาดธาตุคนคนนี้ผู้พินพรสวรรค์ทางนี้นี่หลยท่านทั้งหลายที่เราได้มาบําเพ็ญกุศลพรสวรรค์ของเราไม่ได้เอาอะไรให้สวยงามประดับเอาทําพระพุทธเจ้ามาเป็นที่พึ่งอืมธาตุขันเราครบขันอาการสามสิงองพระข้าพระเจ้าจะเคลื่อนสดิตตามสดิตไปได้ไม่มีกรรมไม่เว้ไม่ได้เป็นคนบาไว้เสียดีผิดมนุษย์ออกมาเกิดเออถ้าหูหนวกตาบอดแขนกุดแขนขาดนี่ ขึ้นเทวดาไม่ได้คุณวันวเป็นอย่างมันไม่ตรงกับของทิพย์เจ้ารักษาไม่กุ้มเจ้ายังมีกรรมอยู่เมื่อกุดแขนกาดมือชี้นหูหนวกนี่ถ้าไม่ควบขันปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดไม่เกิดความสงบขึ้นได้อันนี้ถ้าจะพูดตามนักปราชญ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่คุณสอนเราจะเราก็รู้กันทุกคนว่าเราอยู่กับกรรมแล้วมันมีกรรมกรรมเป็นอย่างนั้นถ้าคือพวกเราทั้งหลายอยู่ในนี่ร้อยพนันเปอร์ซ็นถ้าตั้งใจภาวนา มจะเป็นนางฟาเทวดาก็รีบทำเอาลูกไอ้หลานเลยผู้ชายก็เป็นเทพรบรตรผู้หญิงเป็นนางเทวดาสลับสีนอนสีไปสีมาก็นึกพุโทโธธรมโสังโคข้าพระเจ้าอยากสงบล่มเย็นก็นอย่าไปพูดให้ใครฟังให้อยู่ในใจถ้าพูดกิเลสไม่ได้เงินมันสิมัดขวางทางเราไม่สิมัดมันไม่ให้ไปเพราะว่ามันมันไม่ได้อาศัยเราเห็นไหมข่าพ่อตีแม่พวเมียฆ่ากันตีกันวุ่นวายใจเละ ถ้ามันเกิดไฟตัวนี้ลุกขึ้นเลยโมโหโท่โสราคะตันหาหรือว่าขี่เหลีจนไล่แรงแสดงออกอทุกมะทองมะไถ่ไปทุกมะตาลกหมกใหมใยกันย่ไม่มีวันหยูวันถอยนี่แหละพวกเราทั้งหลายบาวันนี้โอกาสดีนาทีทองมันจะเจริถึงเวลาสช่วโมงหรือเด่นอือผู้คิดถึงลูกหลานเต็มร0อยเปอร์เซนวันน่าโอกาสดี ก็จะได้มาพบกันในบุญในกุศลในคุณงามความดีออให้ศีลให้ธรรมวาดคำสอนของผู้ประเสริฐพระธรรมพระวินัยยังเข็ดขังศักดิ์สิทธิ์อยู่เหมือนเดิมออลูกหลานฝากปิ่้มปิตออิในสถานที่ของออพระพุตรสองสามองค์นี่แหละทางหน้านี่สิห้าองค์หลายองคออ์เป็นผู้รักษาคุณงามความดีอันนี้ไวออ้ใจเราเต็มร้อยเต็มพัน ใช่ธาตุขันของพระบิดามารดาของเราปูชาธรรมพระพุทธเจ้าให้เต็มที่ทุ่มเทเลยอย่าไปกลัวเจ็บปวดอะไรมันเป็นของส่วนตัวลึกๆจิตถ้ามันทองใสท่าใจมันอืมมุ่งมั่นในจุดเดียวกันเลยกิเลสมันจะมาอย่างไรมันก็จะม่วนเสื่อลงขึ้นบนทิศนั่นมันก็จะถลทลทอยออกมันเป็นธรรมชาติธรรมดาลูกหลานหรือมันเป็นธรรมชาติธรรมดาอืถ้าเสื่ออลไรง่ายกลัว เขาสร้างเวรสร้างกรรมเล้วสร้างเวรทั้งกรรมเพื่อจะสร้างลูกระเบิดลูกปืนไปฆ่าไปแกงกันโอ้ยมันดอนสาตาพระเจ้าตายกว่ามันเม่ได้ไปฆ่าเพื่อชั่งคนมีบุญทั่วโลกกระถาไปทํำลายเขาไม่ได้มันกลับคืนมาหาตัวเขาหน่อยเลยที่เขาคือผิดที่เขามโมโหโท่โศว่าจะยึดเอาว้านนั่นเมือง น, นี่จะโลกมากโลคากันมันไม่ได้ใช่มันมันต้องพังทลาย เรามีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดวงใจของพวกเรานะหลวงเนิร์อขอความสุ ข, ขความเจริญขอความสวัสดีบุญบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าประคับประคองจิตใจของลูกหลานตั้งแต่เวลานะที่นี่ต่อไปสุขกายสบายใจตามที่ปรารถนาเอวังก็มีด้วยประการหลักนี้ ทานใดต้องการที่จะร่วมบุญสร้างเจดีย์สร้างบารมีกับองค์หลวงปู่นะครับอย่างที่กล่าวถึงในข้างต้นนะครับเป็นเจดีย์ที่อยู่บนภูหลอมข้านะครับจังหวดัดจังหวัดสกลนครนะครับก็สามารถร่วมบนในครั้งนี้ได้นะครับรวมถึงท่านที่ได้ทำบุญผ่านบัญชีของชุมัมมาก็ดีนะครับเราโดยแบบรวม ในการทําบุญในครั้งนี้รวมทั้งได้มาร่วมทําบุญเคื่องสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ตะปูปัจจัยต่างๆนะครับก็ได้ริ่มบุญกันในวันนี้กับทางองค์หลวงปู่นะครับอืทาบุญคือวันสําคัญบางส่วงบางอย่างที่ท่านเออเป็นปีใหม่ อ, อก็จัดมนหลายองค์มาร่วมกันสวายบินทบาทคือปู่มาวันนี้ก็เป็นอาหารแห้งก็ ค, คือว่าคนงานคนอะไรก็ไม่ได้ล่างถ้วยล่างจานเขาก็จะไม่ ไ, มได้เหนื <c oughs> อ่อยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นอากาศทิพย์เป็นของทิพย์เนะาะเออต่ว่าโอกาสดีนาทีทองก็ะจะมาบินทบาทสารนาเอ อ, อถูกครับอันนี้มันมันมีหลายงานหลายบ่อนก็เอาเอ า, เอาแค่ว่าได้ยินได้เห็นหน้ากันก็สดชื่นเบิกบานไปแล้วล่ะเออที่ว่า องคะเจดีย์ที่ว่ายังไม่จุบสร้างขึ้นห้าปันเพราะว่าเจดีย์ใหญ่เป็นเจดีย์พ่อดีแม่เป็นเจดีย์พ่อคือพระพุทธเจ้าอพระนางพิมพาพระนาอพุทธพิมพาพุทธาลูกปังพุทธาพิมพังเจดีย์ลูกสองข้างเพราะว่าเจดีย์สามยอดอยู่ฟูร่เพราว่าเป็นเจดีย์ลูกเป็นโมคราสารีบุตรสองข้างอนนเจอดีย์ใหญ่คือเปรียบเทียบหลวงปู่ฝั่งนี้เป็นกุฏิอยู่ข้างล่าง เทือดใหญ่ข้างล่างก็เป็นลงอบทสังฆกรรมข้างบนก็เป็นองค์พระธาตุต่อขึ้นไปแต่ศิละปะเขาเ ข, าเขียนมกกันก็งามแล้วท่าทํำได้มันก็สวยงามที่สุดหือว่าคือเขาว่างามที่สุดในโลกก็ว่าได้ถ้าเงินพอเป็นอย่างจะเริงจังเพราะว่าทางหน้าเป็นน้ํำทางหลังเป็นป่ามันเครื่องประดับมันเข้ากันขึ้นไปแล้วสดชื่นเย็นคนที่ให้คะแนนเขามีความสุขปิติเย็นจะบูตให้บหดามาเป่ามาวีมา สัมผัสเขาก็ตั้งให้ว่าเส็นพระธาตุที่สวยงามที่สุดวางสละบไปเด้อพากันเข้าใจสวยงามที่สุดเบอร์หนึ่งก็คือพวกท่านมาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้แหละตัวตัวตัวหลักฐานจริงอืมครบร้อยอาการแทบเสียสองให้ท่านมีความสงบร่มเย็นตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งของพระบิดามารดาของพวกเราทั้งหลายที่มาเกิดถูกต้องในบุญในกุศลนะเอา อ, อย่างนั้นละเอาดีใจ จะได้เข้าใจไปเรื่อยๆดีใจดีใจท่านก็ไปก็จะได้ถวายพระไตรไปเลยได้เวลาพระไตรแล้วก็ได้อ่ามีการขอเข้ามาองค์หลวงปูนะครับขอใทุกท่านได้กล่าวในมูสามจบนะครับในละกล่าวคําถวายพระไตรแล้วก็จะตกปัจจัยนะครับเเมข้าานะโมตัสสะทักขวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะทาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะทาคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิมานิมายังพันเตสิเจวารานิชาปริวารานิเัลวันตัสสะโอโนชยามะขาทุโนพันเตสศลวอิมาณิติจวารานิชาปริวารานิ ปฏิคันหาตุอัมหากังทีครัตังทีตายะสุขายะแค่แต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายข้าไตรจีวารจับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แต่ท่านพู้สองศีลขอท่านผูดสองศีนโปรดรับถ้าไตรวันกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขความเจริญแต่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากับบริษัทพระคมนาความแห่งชาติจำกัดมหาชนและขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแด่ปียชนญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาครูปชาอาจารย์ พรอมทั้งเทพยาดาเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรสัปสัตส์ทั้งหลายและด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้เป็นอุปนิสัย เ, เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานได้เทม สาธุได้แล้วสาธุว่างอันอนี้อือคุณผขานี่เป็นเกิดโยมสาธุเจ็ดจปีค่ะอือ เ, เจ็ดดปีเนาะอือ เป็นเป็นน้องสาวปูสปสป่สองปีสองปีสามปีใช่อือนน้องสาวปูอใช่ปู่เจ็ดสิบสามจะเต็มวันที่ยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่มีนาแต่ว่าทางกฎหมายเขาเต็มแล้วเจ็ดสิบสองเต็มแล้วออวันที่แปดที่เดือนนี่แหละเดือนนี่แหละวันที่แปดแต่ว่าเราเราเกิดอยู่ในป่าได้เขาถ้าไม่ตายจะได้เอาไปเกิดก็เลย เอาคนละคั้งมันจะเกิดตามพระมานดาแท้ๆวันเดือนสี่เพลงเออถ้าเป็นอพสเราเออก็จำไม่ได้ดอกแต่ว่าปีอะไรเจ้าเกิดปีอะไรปีมะเส็ ง, งเขามาลงเอมงอมาลงฐานถอกมาลงเนี่ยกระนกันอยู่นิดหนึ่งนึกเออนั่นแหละอืมค่ะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสอง ในวันนี้นั้นในส่วนปัจจัยนะครับก็จะวด้มาจะได้สี่สิบเอ็ดษาผ่านแล้วสี่สิบเอ็ดหนึ่งสอสี่หนึ่งเจ็ดสิบปีผ่านมาเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทั้งหมด ที่มันเป็นทุกข์มันลึกไปหมดมันทับถมไปไม่มีไม่มีทุกข์อยู่ในหัวใจเป็นอย่างนั้นเออเออเออมันลาบไปหมดมัน อ, อืมไม่มีทุกข์มีเข้าหมองหัวใจเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามอืม เ, เป็นอย่างนั้น ศาสนาพระพุทธเจ้าคนสอนถูกต้องโ อ, โอ้ยสมพรปากลูกไอหลานเอ้ย <c oughs> นี่ดีใจอับเพื่อขอกาถวายปัจจัยกันเทศหนึ่งหมืนบาทนะครับอืถวายค่ายานภานะสามพันบาทสนทุกชนสร้างจะดีนะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับรับกัน ครับเดี๋ยวจากนี้ไปขอการหลวงปู่นะครับในการมาถบุญหรือว่าที่ผ่านมานะครับถ้ามีสิ่งใดประมาทพลาดทั้งร่องเรื่อต่อองค์หลวงปู่นะครับไน่ว่าร่างกายวาจาใจทัจะที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับประมาทพลาดทั้งเนื้อไม่ประมาทพลาดทั้งกดีนะครับก็ขอการในการขอเข้ามาคงหลวงปู่นะครับขอให้ทุกท่านได้กล่าวน้โมทสามจุดนะครับเพื่อขอเข้ามาในระดับต่อไปนะครับ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 อาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเทเรปมาเดนาดาวรัตเเยนกตังสัพพังอัปปารัตังขัมมตุโนพันเตเทเรปมาเดนา เทวราชเยนกตังสถังอัปราชังขมาตุโนพันเตเทเรปมาเดนะเทวราชเยนกตังสถังอัปราชังขมาตุโนพันเต กวาจาใจวาจีกรรมมโนกรรมม่ให้มีต่อกันม่ให้มี <c oughs> อะไรแก่ลูกแก่หลานอดีตถึงปัจจุบันอนาคตให้ดวงตาเห็นธรรมที่ปู่ยกขึ้นเป็นพระษาบาลีนมโมพุทธายะนมโมกุฏายะกรรมมาโตกรรมของพวกท่านก็จะเบาบางไปชีวิตตั้งก็ตั้งต่อสินต่อธรรมกรรมก็จะได้หยุดติในปัจจุบันนี่แหล อ, อที่ว่า เออควรไหว้ก็คือไหว้ควรกราบก็บคือกราบคือเออคุณเมตตาไว้ให้พวกเราเบูชาที่ควรบูชา บูชาผู้มีพระคุณอย่าไปซุบสีส่ซุบหา้าบูชาบิดามารดาบูชาพ ร, พ, พ, รพระพุทธธรรมพระสงฆ์ของพระคุทณเจ้าข้าพระเจ้าเขียนหลับในการเกิดข้าพระเจ้าอย่าเสด็จตามเออมรรคผลในภานในปัจจุบันนี่แหละขอให้สงฆ์มุมาติปัตถนาของลูกของหลานแต่เวลานาที่นี่ต่อไปเอวังหตูเอวังโหตู โ, หต โ, หตโยจะปุเบปะมัสิตวาปัสาโซนะปะมจติโซมังโลกังปะพาเสติอภามุตโตอยัตสาปะปังกะตัง กัมมังกุสเรนะปะหิยติโซมังโลกังบะพาเสติอภามุตตวาจันธิมาอภิวาทานาสิริจานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัานติอายุวันโนสุขังภลังภาวะตุสัพธรรมคลังรัขันตุสัพภเทวตาสภะพุทธานุภาเวนะสภะธรรมานุภาเวนะสภะสังฆานุภาเวนสทาสุที พระวันตุเตะนั่งลงนั่งลง อ, อจะพากัน เ, เข้าใจจะปูกเสกก่อนบาเนี่ยมันมันดีใจเลยด้วยแจกก่อน <c oughs> อ ป, ป, ป, ป, ปลูกเสกอันนี้ปลูกปลูกได้ละแต่ว่าเจ้าของต้องขูกเจ้าของอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้เทวุเทวราทราบพอเราเได้ของที่ระลึกจากกิจจากใจของหลวงปู่ <c oughs> ออกจากมือจากกิจจากใจเต็มร้อย <c oughs> เต็มพันเราตั้งน้ำโม่พร้อมกัน นาโมตัสสังขารวโต นโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะนโมพุทธายะมาโตัมม ato ิมิตังสิวิตังจุติพุทโธอ拉หังอารหังพุทโธธัมโมอ拉หังอารหังธัมโม สังโฆอรหังอรหังสังโฆญาตโนญาตนางญาตตังญัติปริบาังเทวังโหตูเออพระคาถาบทจุทธาเนี่คือไปหาคุณบิดามารดาผู้ยังอยู่ก็ดีเออนะโมพุทธายะกรมมาตุอิมิตังสิวิตังจุตินี่คือแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันใจธรรม นมโมพุทธายะนมโมพุทธายะนี่เป็นว่าแปดหมืนสีพันพระธรรมขันธ์ปูญาตายายพามาเกิดคนจกแต่งขันให้อย่างดีขันแน่นตึก๊กชุขไม่เสตีไม่ไปทำได้สำเร็จก็ไม่พังไม่เพเลได้ง่ายขันห้านี่ทนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล่ว่า ออถ้าดูแล้วก็ เ, ออเร็วกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะไรขีดอะไรซูนนิดดอยก็เพรพังลังฆ่าไปเราอาศัยบา ร, รมีของพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามาป้องกันสิ่งอันตรายแก่พวกเราเพื่อโรคปุกภัยลอยมาทางอากาศเข้าสู่ตัวเราหายใจเข้าไปพุโทโธให้ไหลออกหมดทำโมเข้าคาดข้อเขียนเวรกรรมของลูกของหลานไปให้หมดสังโคเป็นของทิพย์ที่ประเสริฐในสาม แด น, น, นโลกกธาตุก็ว่าดีนปเลยให้ลูกหลานของหลวงปู่ของเออข้าพเจ้าทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญกุศลฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้ราบลื่นลุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยไวไวดีใจดีใจดีใจเออพุทโธลหลหงังหลังพุทโธเนี่เป็นดึงดูดซับนึกไปนึกไปที่ไหนจาได้ธรรมโมลหลหงังหลังธรรมโมทําอะไรก็มีเหตุมีผลกับสธาตุกับขันกับกิจกับใจ คือไปเรื ừ, ่อยๆคุณวิดามาได้เรื่องแบบ น, นี้ัวนี่ ừ, น <c oughs> นนรเรื่องคือคนว่านันัวนันางนัทนางญัตีปริวารัเร่องหัวลูกกับจะจด้วยกันหมดอย่างไได้แล้วสำหรับุณป่คุณพระวิดามาแล้วเ้าใ <ừ. S 2> ส่หัวเออใส่หัวลูกหัวรวมกระทาจะในลูกหัวแส่หัวคุณคุณพ่อแม่มาจากนี่แหลเอาแบบนี้นนี้รับเอาแบาาบโอ้ ยังไม่หมดเนี ar, like, ่ไปหางได้อก็ัันก anyway ็าาานที um> <S <s up, чи, чи ่าจะตตายกันเดียวกันนั่นแหละนกแต่ม่เปลียนแต่ีีเสืมันสีนี่แหละดีสีว่าผู้ชายดำแต่เงินคผู้หญิงผู้